เจ็ดกะถินขันทกะ187กงรินานุชาณ น, นาว่าด้วยทรงอนุญาตให้กรานกะถินเรื่องภิกษุชาวเมืองปาเถยะ30รูป306สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินดิกะเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุชาวเมืองปาถยะจำนวนสามสิบรูปทั้งหมดถืออารัญญิกะทุดงถือบินทปาติกะทุดงและถือเตจีวริกะทุดงเดินทางมากรุงสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคเมื่อใกล้วันเข้าพรรษา ไม่สามารถจะเดินทางไปให้ทันวันเข้าพรรษาในกรุงสาวัตถีได้จึงเข้าพรรษาในเมืองสาเกตระหว่างทางภิกษุชาวเมืองปาเถยะเหล่านั้นมีใจรันจวนอยู่จําพรรษาด้วยคิดว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ใกล้ๆพวกเราห่างเพียงหกโยต์แต่พวกเราก็ไม่ได้เฝ้าพระองค์ครั้นล่วงไกลมาก ภิกษุเหล่านั้นออกพรรษาแล้วเมื่อประวัณาแล้วฝนยังตกชุกอยู่พื้นแผ่นดินชุ่มชื้นไปด้วยน้ําเป็นหล่มเลนพวกเธอมีจีวรชุ่มชื้นด้วยน้ําเหน็ดเหนื่อยเดินทางเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคณอารามของอนาถบินฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นแล้วถาวายอภิวาสพระผู้มีพระภาค นั่งหน้าที่สมควรการที่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายทรงสนทนาปราศัยกับภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายนั่นเป็นพุทธประเพณีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือ พวกเธอเป็นผู้พร้อมเพรียงกันร่วมใจกันไม่ทะเลาะกันอยู่จําพรรษาเป็นผาสุขหรือและบินทบาทไม่ลำบากหรือภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่ายังสบายดีพระพุทธเจ้าข้ายังพอเป็นอยู่ได้พระพุทธเจ้าข้าอันหนึ่งพวกข้าพระองค์เป็นผู้พร้อมเพียงกัน ร่วมใจกันไม่ทะเลาะกันอยู่จำพรรษาเป็นผาสุขและบินทบาทไม่ลำบากพระพุทธเจ้าข้าขอประธานวโรกาสพวกข้าพระองค์มีประมาณสามสิบรูปเป็นภิกษุชาวเมืองปาถยะเดินทางมากรุงสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคเมื่อใกล้ถึงวันเข้าพรรษา ไม่สามารถจะเดินทางมาให้ทันวันเข้าพรรษาในกรุงสาวัตถีได้จึงจำพรรษาที่เมืองสาเกต ร, ระหว่างทางพวกข้าพระองค์รันจวนใจอยู่จำพรรษาด้วยคิดว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ใกล้ๆพวกเราห่างเพียงหกโยต์แต่พวกเราก็ไม่ได้เฝ้าพระองค์ครั้นล่วงไตรมาสพวกข้าพระองค์ออกพรรษาแล้ว เมื่อปราวรณาแล้วฝนยังตกชุกอยู่พื้นแผ่นดินเต็มไปด้วยน้ำเป็นหล่มเลนมีจีวรชุ่มชื้นด้วยน้ำเหน็ดเหนื่อยเดินทางไกลมาพระพุทธเจ้าข้า